รักมีกรรม love, s <S เรื่องของความรักอันซาบซึ้งท่ามกลางกลิ่นควันปืนข่าวเลือดและหลักประหารโดยบิววาตันแปลโดยสิริพุทสุข นั้นเป็นวันที่21เดือนธันวาคมคริสตศักราช1947เฮอร์มา纳斯เวนรินสเบิร์กกำลังรีบเดินข้ามทุ่งนามาจากกระท่อมของเขาเพื่อจะไปรับถุงเมลรถไฟที่สถานีหยุดรถชื่อดามานุ่าในแคว้นทรานสวาเพื่อย่อนระยะเวลาให้ถึงเร็วเข้าเขาจึงตัดลงขึ้นไปบนเนินเขาเล็กๆผ่านป่าช้าซึ่งเป็นที่ฝังศพทหารที่เสียชีวิตในสงครามโดยคิดว่า ทางสายนี้เป็นทางลัดจะทำให้ถึงที่หมายเร็วขึ้นเรนส์เบิร์กเดินผ่านป่าช้านั้นมาได้ประมาณครึ่งทางและกำลังจะผ่านซากบ้านของชาวไร่ในแถบนั้นหลังหนึ่งก็พอดีเหลือไปเห็นชายผู้หนึ่งกำลังเดินตรงมาทางเขาเขาเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนในระยะแรกก็ไม่ได้เอาใจใส่อย่างใดเพราะในใจกำลังคิดว่าจะไป ร, ะรับถุงปริศนีจากขบวนรถไฟตามหน้าที่เท่านั้น แต่แล้วเมื่อเขารีบร้อนเดินต่อไปนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาแวบหนึ่งว่าชายผู้ที่เขาเห็นเมื่อครู่นี้นั้นดูท่าทางจะไม่ใช่คนในท้องถิ่นนั้นเพราะชายผู้นั้นเป็นคนร่างสูงเกิน6ฟุตและเขาก็รู้ดีว่าในแถบนั้นไม่มีใครอื่นอีกที่สูงเกินกว่าเขาซึ่งทั้งๆที่ไม่ได้สวมรองเท้าก็สูงถึง5ฟุต11นิ้วอยู่แล้ว เขาเหลือหลังกลับไปดูอีกครั้งก็เห็นชายแปลกหน้าผู้นั้นกำลังยืนดูซากของบ้านร้างที่กล่าวถึงอยู่ในขณะนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วแต่เขาก็เห็นภาพนั้นถนัดชัดเจนโดยสังเกตได้ด้วยว่าชายผู้นั้นสวมเครื่องแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเหลือบมองดูนาฬิกาข้อมือของเขาก็เห็นว่ายังพอมีเวลาเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยจึงคิดว่าดูคล้ายๆกับชายผู้นั้นจะกาลังมองหาใครสักคนหนึ่ง และเขาก็คิดว่าจะลองไปถามดูเผื่อว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างตามสมควรเขาจึงรีบสาวเท้ากลับโดยคิดว่าจะลองไปสอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือดูสักทีเมื่อเขาเข้าไปใกล้ก็ได้สังเกตเห็นว่าชายผู้นั้นเป็นทหารชั้นนายทหารคนหนึ่งแต่มีข้อแปลกก็คือเครื่องแบบที่เขาสวมอยู่นั้นไม่ใช่เครื่องแบบที่เรนสเบิร์กเคยเห็นในปัจจุบัน เพราะเป็นเครื่องแบบสีแดงเข้มและสีกากีอันเป็นเครื่องแบบที่ทหารอังกฤษใช้ในระหว่างสงครามระหว่างอังกฤษกับพวกโบเออร์เมื่อปี 1899-1902 ซึ่งนับถึงเวลาในขณะนั้นก็ประมาณ50ปีมาแล้วด้วยความประหลาดใจเขารู้สึกว่าเขาเกิดความรู้สึกวันเกรงบางอย่างขึ้นมาในใจโดยไม่มีเหตุผล ดังนั้นเมื่อเข้าไปใกล้พอที่จะเรียกกันได้ยินเขาจึงตะโกนเรียกออกไปว่าเฮ้ hey, คุณนั่นนะ่ะกำลังมองหาใครอยู่หรือเปล่าเรนสเบิร์กรู้ดีว่าภาษาอังกฤษของเขาซึ่งเป็นชาวแอฟริกาคงจะไม่ชัดเจนเหมือนกับคนอังกฤษแท้ๆแต่เขาก็รู้ดีว่าคนอังกฤษทุกคนก็ควรจะเข้าใจเพราะเขาอายุ40ปี และได้ทำงานในกิจการรถไฟนี้มาเป็นเวลานา น, านถึง20ปีแล้ว <Oder mond ano> เขาได้ก้าวเข้าไปใกล้อีกและได้ลดเสียงลงเป็นเสียงพูดอย่างธรรมดาว่านี่คุณจใจผมช่วยอะไรไหมดูคุณไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ั้ยชายผู้นั้นหันกลับมามองดูเรนส์เบิร์กและเรนส์เบิร์กได้เห็นว่าเขาเป็นานายทหารสวมเครื่องแบบทหารพุตธาของอังกฤษ ชายผู้นี้มีดวงหน้าเศร้าสลดและดูสีหน้าซูบซีดมากเขายืนมองอยูเรนสเบิร์กอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินขึ้นเนินไปโดยไม่ได้ตอบว่าอะไรเลยเรนสเบิร์กยืนงงอยู่ด้วยความประหลาดใจอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งได้ยินเสียงหูดรถไฟดังมาแต่ไกลจึงรีบลงมาจากเนินเขานั้น เพื่อไปรับถุงไพรษเนียพันตามหน้าที่ของเขาและเมื่อขบวนรถไฟผ่านไปแล้วเขาก็ยิ้วถุงเมลและห่อไปรษเนียพันไปมอบให้แก่นายไปรสเน่ประจำตําบล น, นั้นต่อไปหลังจากนั้นเขาได้เอ่ยถามขึ้นว่าชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่สวมเครื่องแบบทหารเก่าๆนะ่ะเป็นใครกันครับตอนที่ผมเดินไปรับถุงไพรณีย่จากสถานีนั้นนะ่ะ ผมเห็นเขาเดินลงมาจากเนินเขานายปราศนีตำบลปล่อยถุงหลุดลงจากมือเมื่อได้ยินเดนสเบิร์กพูดเขารีบถามขัดจังหวะขึ้นมาทันทีว่าคนคนนั้นสวมเสื้อสีแดงสดและกางเกงสีกา ก, กีใช่มะใช่แล้วครับเดนสเบิร์กรับคำผมดูคล้ายๆเขาจะเป็นพวกทหารอังกฤษที่เคยทำสงครามกับเรานะถ้าเช่นนั้นคนที่คุณเห็นก็เป็นเขาจริงๆนั่นแหละนายปรานีพูด ตามปกติเขาจะมาในเดือนตุลาคมหรือบางทีก็เดือนธันวาคมคุณเพิ่งมาอยู่ที่นี่เพียงหกสัปดาห์คงยังไม่รู้อะไรไปถามโชว์มาเถอะเราจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังเองในปีคศ1947อันเป็นปีที่เรนสเบิร์กเห็นภาพของชายประหลาดผู้นี้นั้น มีบุคคลเหลืออยู่ในตำบล น, นั้นคนเดียวที่ยังรู้เรื่องนี้โดยตรงและสามารถเล่าเหตุการณ์ที่ล่วงมาแล้วได้ถูกต้องเขาพูดนั้นเป็นชาวนาผู้ชราชื่อคอเนเลียสโชมา n ผู้ซึ่งเมื่อวัยหนุ่มได้เคยสู้รบกับทหารอังกฤษในสงครามโบเออร์โดยได้เข้าประจันบานกันที่เกลุกอันเป็นตำบลใกล้ๆ ก, กับดามานูา่าอันเป็นที่ที่รถไฟหยุดนั่นเองความจริง โชแมนเองก็ไม่ได้ยืนยันถึงชื่อของนายทหารอังกฤษผู้นี้อย่างแน่นอนแต่เรื่องราวที่เขาทราบมาก็บ่งชัดว่าต้องเป็นเช่นนั้นคือนายทหารอังกฤษที่กล่าวถึงนี้คงต้องเป็นพันตรีเวอร์นอนซึ่งได้ตกลุมรักหญิงสาวชาวเผ่าโบเออร์ซึ่งเป็นฝ่ายศัตรูของเขานั่นเองเรื่องที่โชแมนเล่ามีดังนี้ ในปีคริสตศักราช 1,900 แคโรทีนพอดจีเตอร์เป็นหญิงสาวสวยชาวเผ่าโบเออร์เพิ่งมีอายุได้ประมาณ20ปีนระยะนั้นเกิดสงครามโบเออร์ถูกทหารอังกฤษตีแต่จนต้องถอยร่นมาเรื่อยๆในที่สุดชาวเผ่าโบเออร์ก็มาตั้งมั่นขุดสนามเพราะอยู่ห่างจากสถานที่นี้ไปประมาณ12ไมล์ส่วนสถานที่นี้ซึ่งปัจจุบันก็คือสถานีหยุดรถไฟดามานุธา ก็เป็นที่ที่ทหารอังกฤษมาตั้งมั่นประชิดอยู่เป็นธรรมดาเมื่อทหารอังกฤษมาถึงตำบล น, นี้ก็เข้ายึดครองหมดทุกสิ่งทุกอย่างและทุกๆคนเป็นของทหารซึ่งก็รวมทั้งครอบครัวพอดกิเตอร์ด้วยในครอบครัวนี้ในตอนนั้นก็มีสมาชิกเหลือเพียงสองคน คือนางพอทีเตอร์วัย40ผู้เป็นมารดาและแคโรลีนผู้บุตรสาวทั้งสองแม่ลูกอาศัยอยู่ในบ้านไร่เล็กๆแถวนั้นเองดังนั้นบ้านเล็กๆของเธอจึงถูกริบเอาเป็นที่พำนักของพันตรีเวอร์นอนและนายทหารอีก3าคนแคโรลีนเป็นหญิงสาวสวยมากทีเดียวเธอมีร่างสูงสงา่ามีผมดำและในตาซึ่งงามอย่างประหลาด ดังนั้นการที่นายทหารอังกฤษผู้นี้จะหลงรักเธอจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครประหลาดใจเท่าใดนักในระหว่างนั้นบิดาของเธอไปเป็นทหารรบพุ่งอยู่กับชาวเผ่าโบเออร์ซึ่งก็หมายความว่าเธอกับเขาเป็นศัตรูกันโดยแท้ระยะเวลาที่เวอร์นอนพักอยู่ในบ้านของแคลโรลีนนั้นพวกทหารอังกฤษกาลังรวมพลและสเสบียงอยู่จึงไม่มีการรบใหญ่นัก นอกจากมีการซุ่มโจมตีกันเพียงประปรายแต่และ ว, วันหนึ่งก็มีคำสั่งมาว่าให้ทหารอังกฤษเริ่มเข้าทำการโจมตีใหญ่ได้ในคืนวันที่เวอร์นอนจะจากแคลโรลีนไปเพื่อโจมตีพวกเ่าโบเออร์นั้นเขาได้ขอให้แคลโรลีนสัญญากับเขาว่าเมื่อสงครามเลิกแล้วเขาจะขอให้เธอแต่งงานกับเขา ตามข่าวที่เล่ากันมาปรากฏว่าแคลโรลีนได้ขอให้เวร์นอนเลิกทำสงครามเข็นฆ่าพวกเธอเสียแล้วเธอจึงจะยอมแต่งงานกับเขาแต่ก็แน่ละเวอร์นอนยอมจะต้องทำตามไม่ได้เพราะมันหมายความว่าเขาจะต้องขึ้นศาลทหารและก็คงจะต้องถูกพิพากษาประหารชีวิตฐานละทิ้งหน้าที่ในยามสงคราม แต่ความรักของเขาที่มีต่อสาวน้อยแคลโรลีนก็สุดที่จะทำให้เขายับยั้งชังใจต่อไปได้และดังนั้นเมื่อกองทหารอังกฤษออกทำการโจมตีกวาดล้างพวกโบเออร์ในระยะต่อจากนั้นก็ปรากฏว่าพันตีเวอร์นอนหายตัวไปอย่างลึกลับทั้งฝ่ายอังกฤษถือว่าเขาเป็นผู้มีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ในายามสงคราม แต่ถ้าว่าเนื่องจากต่อจากนั้นได้มีการรบพุ่งกันอย่างรุนแรงระหว่างทหารอังกฤษกับชนเผ่าโบเออร์จึงไม่มีใครสนใจติดตามหาตัวเวอร์นอนและในระหว่างนั้นเองเวอร์นอนก็ซ่อนตัวอยู่บนเพดานบ้านของแม่สาวน้อยแคโรลีนนั่นเองมารดาของแคโรลีนร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้ง เมื่อนางทราบว่าบุตรสาวยอมรักกับพวกเสื้อแดงคือทหารอังกฤษซึ่งเป็นฝ่ายศัตรูของชนเผ่าของเธอและแม้จะได้ทัดทานบุตรสาวอย่างไรก็ไม่ได้ผลกรรมลิขิตได้ทำให้หนุ่มสาวทั้งสองไม่สามารถจะแยกจากกันได้ซสแล้วในที่สุดทั้งสองก็กะแผนการว่าจะพากันหลบหนีไปยังเขตแดนโปรโ ต, ตุเกสซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงห้ไมล์เท่านั้น เพราะเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็คงจะปลอดภัยเนื่องจากว่ากฎหมายอังกฤษไม่มีอำนาจครอบครองไปถึงดินแดนแห่งนั้นคืนวันก่อนที่จะหนีไปวันหนึ่งแคโรลีนได้พยายามจัดหารถม้าคันเล็กๆคันหนึ่งพร้อมทั้งม้าที่มีกำลังดี6ตัวเพื่อเป็นพาหานะสำหรับพาเขาทั้งสองหนีไปด้วยกันแต่แล้วพวกทหารอังกฤษก็กลับมายัางที่นั่นอีกเพื่อจะมาพักชุมนุมพล หลังจากที่ได้ถูกพวกโบเออร์ตีแตกร่นมาคนใช้ชราคนหนึ่งของแคลโรลีนรู้เรื่องนี้ดีจึงกระหืดกระหอบมาบอกหนุ่มสาวทั้งสองให้ทราบข่าวนี้ดังนั้นเวอร์นอนจึงรีบหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนภูเขาก่อนส่วนทางนี้แคลโรลีนก็จัดแจงผูกม้าเทียมรถเข้าอย่างเร่งรีบ ในนาทีสุดท้ายที่เธอเทียมม้าเสร็จและกำลังจะขับรถเคลื่อนออกจากที่อยู่แล้วนั่นเองนายทหารอังกฤษก็มาถึงและมารดาของแคโรลีนก็ออกมาพูดอะไรซุบซิบกับนายทหารอังกฤษผู้หนึ่งไม่มีเวลาเหลือสำหรับคิดอะไรอีกต่อไปแล้วแคโรลีนกระตุกบางเหียนให้รถเคลื่อนที่ออกโดยพลันพร้อมกันนั้นนายทหารอังกฤษก็ตะโกนออกคาสั่งให้เธอหยุดทันทีแต่แคโรลีนไม่ฟังเสียง เธอควบรถตะบึงไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตผ่านภูเขาลูกที่เวอร์นอนซ่อนตัวอยู่พร้อมกับตะโกนให้เขารีบลงมาสมทบกับเธอโดยเร็วแต่ในขณะเดียวกันพวกทหารอังกฤษก็ไล่ตามหลังมาอย่างไม่ลดละและเมื่อเวอร์นอนได้ยินเสียงแคโรลีนเรียกให้ลงมาสมทบกับเธอในรถคันนั้นพวกทหารอังกฤษก็ยิ่งเร่งฝีเท้าตามมาหนักขึ้นทุกทีในที่สุด ทหารอังกฤษได้ใช้ปืนยิงมาที่รถหลายนัดซึ่งทำให้เวอร์นอนต้องตัดสินใจหยุดรถเพราะเกรงว่าหากปล่อยให้แคโรลีนควบตะบึงต่อไปเธอเองอาจจะพลอยถูกกระสุนหลงเข้าก็เป็นได้เป็นอันว่าเวอร์นอนถูกจับขึ้นสารทหารและความรักของหนุ่มสาวก็พังทลาย จากคำพิพากษาปรากฏว่าเวอร์นอนมีความผิดฐานหลบหนีต่อหน้าศัตรูและละทิ้งหน้าที่ในยามสงครามจึงต้องถูกประหารชีวิตแคลโรลีนพยายามเข้าพบทางการอังกฤษและขอร้องชีวิตของเวอร์นอนแต่ก็ไม่เป็นผลกฎหมายอังกฤษไม่มีข้อผลผันในเรื่องนี้แต่อย่างใดเป็นอันว่าในวันต่อมาเวอร์นอนก็ถูกจับมัดมือไพ่หลังพร้อมกับถอดเครื่องยศออกหมด เขาถูกนำตัวขึ้นไปบนเนินเขาถูกจับให้ยืนอยู่กับต้นไม้และก็ถูกยิงเป้าที่นั่นเองไม่มีใครทราบว่าแคลโรลีนมีความเศร้าโศกเพียงใดแต่ก็มีผู้พบเห็นว่าเธอเฝ้าดูการประหารชายคนรักของเธออยู่ไม่ห่างไกลนักและเมื่อทหารอังกฤษได้ฝังศพเวอร์นอนไว้ในที่นั้นแล้ว เธอได้นำพวงหรีดมาวางไว้บนหลุมฝังศพของเขาด้วยคืนนั้นได้เกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างลึกลับที่บ้านของนางพอร์ตกีเตอร์และเมื่อไฟโสมแล้วก็มีผู้พบซากของมนุษย์ถูกเผาดำเป็นตอตะตโกอยู่ในกองไฟซากหนึ่งแคลโรลีนสูงประมาณ5ฟุต7นิ้ว ส่วนมารดา ข, ของเธอเป็นคนร่างเตี้ยคือสูงประมาณ5ฟุต4นิ้วเท่านั้นจากการสำรวจของแพทย์ก็ลงความเห็นว่าซากซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นใครกันแน่เป็นซากของคนร่างเตี้ยซึ่งก็น่าจะเป็นมารดา ข, ของแคโรลีนนั่นเองสำหรับแคโรลีนนั้นต่อจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นเธออีกเลยคงรู้กันว่า เธอหายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอยบางคนกล่าวว่าเธอได้ขึ้นไปที่ภูเขาและถึงแก่ความตายที่นั่นแต่บางคนก็ว่าเธอได้ออกจากถิ่นนั้นไปอยู่ที่อื่นเรื่องจะเท็จจริงอย่างไรก็ไม่มีใครสามารถทราบได้แน่นอนส่วนบ้านไร่หลังที่ถูกไฟไหม้นั้นก็ไม่มีใครคิดซ่อมแซมใหม่คงปล่อยให้เหลือไว้เป็นซากเช่นนั้น เมื่อเวลาล่วงไปนานเข้าที่นั้นก็กลายเป็นพงรกร้างมีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดและเรื่องของความรักอมตะของนายทหารอังกฤษผู้ยอมสละชีวิตของตนเองด้วยความรักหญิงสาวผู้เป็นชนชาติศัตรูก็กลายเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญกันต่อมาอีกเป็นเวลานานในแคว้นทรานสวาตะวันออกต่อมามีชาวแอฟริกาหลายคน ได้รายงานแก่เจ้าหน้าที่ว่าเขาได้เห็นนายทหารอังกฤษคนหนึ่งเดินลงมาจากเนินเขาและยืนมองดูซากสลักหักพังของบ้านที่ถูกไฟไหม้นั้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนดูในแถบนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีทหารอังกฤษคนใดอยู่บริเวณนั้นเลยซึ่งเป็นเวลาที่สงครามสงบแล้วดังนั้นจึงคิดกันว่าพวกคนพื้นเมืองเหล่านั้นตาฝาดไปเอง ในปีต่อมาในตอนกลางคืนของวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมก็มีคนหลายคนได้มารายงานเจ้าหน้าที่อีกว่าเขาได้เห็นทหารลึกลับสวมเสื้อแดงจึงมีผู้คอยวางยามเฝ้าดูกันขึ้นอย่างเอาจริงเอาจังแต่ก็ไม่มีผลจนกระทั่งในวันที่13ตุลาคมของปีต่อมามีคนใจกล้าสองคนชื่อแวนเบิร์กและเคิร์สเซไปคอยเฝ้าดูด้วยความอดทนคราวนี้ไดผลสมหวัง เพราะพอดวงอาทิตย์ตกแล้วไม่นานในขณะที่ยังมีแสงสว่างพอเห็นได้อยู่นั้นทั้งสองคนที่เฝ้าดูอยู่ก็เห็นทหารลึกลับผู้นั้นเดินลงจากเนินเขาคนทั้งสองได้มาเล่าให้เจ้าหน้าที่ในตำบลฟังต่อมาว่าเขาได้เฝ้าดูอยู่และได้เห็นร่างนั้นในระยะใกล้จนกระทั่งสามารถมองเห็นรอยรูลูกกระสุนที่เสื้อแดงของทหารผู้นั้นในระยะเหนือหัวใจ และได้เห็นรอยเลือดกระอยู่รอบๆรูกระสุนด้วยคนพื้นเมืองแถบนั้นต่างมีความกลัวเรื่องนี้กันมากและพอถึงเดือนตุลาคมเวลาราวๆก่อนคริสต์มาสต่างก็พากันปิดประตูบ้านลั่นดาอย่างแน่นหนาเรื่องนี้ได้เป็นข่าวเล่าลืออยู่เช่นนั้นโดยไม่มีนักวิญญาณศาสตร์ผู้ใดสนใจเลย จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีชายสองคนและหญิงหนึ่งคนเดินทางมาจากโยฮันเนสเบิร์กได้มาค้างแรมที่ใกล้ๆซากบ้านร้างนั้นและก็รายงานว่าไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่ในวันนั้นเป็นวันที่ย2สิบสองตุลาคมดังนั้นวันรุ่งขึ้นคนหนึ่งจึงไปยังที่นั่นอีกและคราวนี้ก็บอกว่าได้เห็นทหารลึกลับผู้นั้นเขาพยายามพูดด้วย แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอย่างใดโชมานผู้เล่าเรื่องนี้กล่าวว่าร่างนั้นมักจะปรากฏตัวให้เห็นในตอนเย็นของวันที่13ตุลาคมแต่บางทีก็เลื่อนไปเป็นในระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง24และอีกครั้งหนึ่ง ก็มักจะปรากฏตัวในระหว่างวันที่20ถึง22ตุลาคมยังไม่มีผู้ใดสามารถทราบถึงเหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับวันดังกล่าวเลยอันที่จริงก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าร่างนั้นจะเป็นวิญญาณของพันตีเวอร์นอนหรือเปล่าแต่ตามรูปการของเรื่องก็น่าจะต้องเป็นไปเช่นนั้นจริงๆมิสเตอร์โชแมนกล่าวว่า แม้ผมจะไม่เชื่อเรื่องผีแต่ผมก็ได้เห็นร่างเนี้ยมาหลายต่อหลายครั้งละร่างนี้เดินลงมาจากต้นไม้ที่ถูกประหารชีวิตลงมายังบ้านไร่ที่ถูกไฟเผาจนเหลือแต่ซากนั้นยืนอยู่ที่นั่นครู่หนึ่งและก็เดินขึ้นเนินเขาไปยังสถานที่ที่ฝังศพเมื่อปีที่แล้วมีนักวิญญาณศาสตร์คนหนึ่งจากโยฮันเนสเบิร์กมาณที่นั้นเขาได้พบร่างนั้นหรือว่าวิญญาณนั้นเหมือนกัน ได้พยายามพูดจาถามร่างนั้นแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอย่างใดเขาได้ถามว่าคุณเป็นใครกำลังหาอะไรอยู่แต่ร่างของทหารผู้นั้นหันมามองเขาอย่างเศร้าๆแล้วก็หันหลังกลับค่อยๆเดินขึ้นเนินไปยังป่าช้าอย่างสงบเรื่องแปลจากนิตยสารเฟทดีซมเนา แปลโดยสิริพุทสุขหมายเหตุในเรื่องนี้มีปัญหาอยู่หลายอย่างที่ชวนให้สงสัยซึ่งข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามโอปปปาติกะองค์หนึ่งไว้แล้วแต่เนื่องจากหน้ากระดาษจำกัดไม่อาจจะนำลงในฉบับนี้ได้ฉะนั้นขอให้รอเอาไว้อ่านคำตอบในฉบับหน้า